ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมมโพธทิยานในวันนี้คงเป็นการตรอบคำถามของนักศึกษาคณะสาธารณศึกษาตต่อไปเธอถามว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดห ล, หลายวัดห ล, หลายวันหรือผู้ชายที่มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่นานๆหลายปัญษา แต่แม่ของตนเองรับภาระต่างๆที่บ้านผู้นั้นจะได้บุญหรือไม่ก็ได้บุญนะนะคือว่ากันตามความเป็นจริงนะฮะเราจะต้องยอมรับว่าในความเป็นครอบครัวเนี่ยคือเราจะอยู่หรือเราไม่อยู่นี่ท่านก็ต้องทำงานอยู่แล้วแต่การที่ลูกไปบวชหรือลูกปฏิบัติธรรมนั้นพ่อแม่ก็จะสบายใจ เป็นสุขใจร่วมอนุโมทนากุศลกับลูกได้ผลประโยชน์มากกว่าเลยทั้ไปดีประการหนึ่งแม้เราจะอยู่ครอบครองเรือนเวลาแยกครอบครัวไปแล้วไปตั้งครอบครัวใหม่มันก็พ่อแม่ก็ต้องทำงานเองอยู่แล้วคือสำคัญว่าเราต้องดูแลใจใส่ท่านหรือไม่ นี่คือประเด็นสำคัญว่าลูกเองเมื่อบวชไปแล้วก็สามารถดูแลพ่อแม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่ต้องทางานอะไรพ่อแม่ก็คงต้องคงต้องทำงานอยู่นั่นเองไม่ว่าเราจะบวชหรือไม่บวชอันเป็นเรื่องที่เป็นข้ออ้างแต่ว่าไม่มีความสมเหตุสมผลเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแม่ลูกจะอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่คงต้องทำงาน ลูกกระทงต้องทํางานตามหน้าที่ของลูกแล้วก็เวลาส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ในช่วงต้นๆ น, นี่นะฮะลูกก็ไปศึกษาเราเรียนไม่ไม่ได้มาแบ่งเบาอะไรหนักหนาเมื่อลูกจบกนนารศึกษาเราเรียนแล้วไม่เท่าไหร่ลูกก็แต่งงานมีครอบมีครัวพ่อแม่ก็ต้องต้องทํางานด้วยเองนั่นแหละแต่ถ้าพ่อแม่ยากร้ายขัดสนอนาถาเดือดร้อนลูกก็ต้องดูแลใจใส่หรือว่าแม่แต่ ตอนพ่อแม่แก่ชารารุ่ง ก, ก็เลี้ยงดูใจใส่แต่ว่าพ่อแม่ก็คงทํางานในกรอบของท่านอยู่นั่นแหละเพราะนันประเด็นเพียงประเด็นเดียวนั้นมันไม่ได้หมายความว่าลูกไม่ได้บุญเพราะสิ่งที่ทําเป็นบุญก็คือเป็นบุญแต่ในส่วนใดที่เป็นบาปก็คือเป็นบาปแต่ส่วนที่ยกตัวอย่างมามเป็นบุญก็คือเป็นบุญ แต่ว่าการปล่อยให้พ่อแม่ต้องทำงานเนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องบาปหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของมนุษย์เรามัมก็เป็นอย่างนั้นเองตอนเราเล็กพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอเราศึกษาแลาเรียนพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบตอนที่ออกออกไปแล้วแล้วก็ไปแต่ ง, งานมีครอบมีครัวพ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านของก่น แล้วก็ส่งเสียดูแลก็ตามต้องควรแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องทำงานเด่นยังทางานน้อยลงหน่อยเท่านั้นคือคนเราจะเอาอะไรสมบูรณ์ไปหมดไม่ได้หรอกสมมติว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นห่วงใหญ่พระราชวงศ์แล้วก็ไม่ยอมเสด็จออกปรนวดโลกก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุดโตทนะพระราชวงศ์ทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลเป็นรรยบุคคล ตายแล้วก็เป็นไปตามกรรมซึ่งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกพนวดเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระหันพระนางประชาบดีก็เป็นพระหันพระนนพระนันทะเอ่อนางรูปปันญาอะไรแต่ละน้องสาวน้องชายก็เป็นพระรหันกันหมดลูกสาวก็เป็นพระหันพระนางเยโสธราพิมพาก็เป็นพระหันอะไรมันต่างกันก็ผลต่างมันต่างกันเยอะ งานการการมองเนี่ยเราอย่ามองด้วยความคับแคบหรือว่าเห็นแก่ตัวหรือต้องการเพียงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเราต้องมองกันหลายๆายมุมการอุทิศส่วนกุศลบุญส่วนกุศลต้องทำโดยการกวดน้ำทุกครั้งหรือไม่หรือการกวดน้ำนั้นที่จริงมันเป็นรูปแบบพิธีกรรมที่ติดมาจากพราหมณ์ เราเองก็คงไม่ต้องมีน้ำก็ได้นะฮะอธิษฐานใจเอาหรือเปล่งวาจาผลแห่งทานนี้จงถึงก่ญ ย, ยาตของข้าพเจ้าขอญ า, าตของข้าพเจ้ามีความสุขทอนนั้นก็พอแล้วแต่ว่าการตั้งจิตุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันควรจะมีทุกครั้ง น, นะเพราะว่าเราก็มีปู่ย่าตายายหลวงปานาอาที่ตายจากไป ทำความดีแล้วควรจะนึกถึงท่านบ้างเพื่อให้ท่านอนุโมทนาในส่วนกุศลที่เราได้กระทำท่านก็จะได้มีความสุขตามสมควรแ ก, ก่กติพที่ท่านได้อุบัตรแล้วในบทสวดมนต์ที่ว่าหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดนั้นหมายความอย่างไร คือสีคู่เนี่ยหมายถึงพระโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลหนึ่งคู่สกติกามีมรคสกติกาใหผลสองคู่อนาคามีมรคอนาคามีผลสามคู่แล้วก็อาณหัตมรคอาัาทผลก็เป็นสคู่ก็ในสคู่เหล่านี้พอย่อยออกไปจริงก็เป็นแปดนาตมรคสี่ผลสี่นะรวมแล้วก็เป็นแปดกระทั่งนั้นเอง หมายถึงท่านที่ปฏิบัติดีได้สมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติปตเป็นธรรมปฏิบัติสมควรได้สมบูรณ์น่ะคือต้องเป็นระดับเหล่าเนี้ยแต่ระดับสามัญชนทั่วๆไปก็ยังไม่มีใครสมบูรณ์หรอกแล้วก็มียิ่งมีย้อนแตกต่างกันออกไปข้อต่อไปถามว่าเคยฝันว่าเที่ยวไปตามที่ต่างๆแล้วกลับมาถึงที่นอนมองเห็นร่างของตนเอง นอนอยู่ขณะนั้นเกิดความรู้สึกว่ายังไม่อยากตายเลยรีบกลับเขาร่างที่นอนนิ่งอยู่พอได้สติกลับมาแล้วมองเห็นผ้าม่านกับเพื่อมสองครั้งอยาทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรอนี้ก็ไม่รู้นะฮะอาจจะมีลมเข้ามาก็ได้อาจจะแต่ว่าแนวตรงนี้เคยมีคนเขามีประสบการณ์ในลักษณะอย่างนี้ หมายความว่าตัวเองไปอยู่ใกล้ๆกันลอยอยู่ข้างบนแล้วก็เห็นร่างตัวเองนอนอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ร่างของตัวเองก็เข้ามาสิงร่างก็มีประสบการณ์ในแนวนี้อยู่มากแต่ว่าไม่เคยพบหลักฐานว่าหมายความว่าอย่างไรอาการที่มัานไหวนั้นไม่ร้วนลมมันมีหรือเปล่าะลมอาจจะพัดเข้ามาแล้วก็มัานไหวในจังหวะนั้นพอดีก็ได้ เราถ้าหากว่าจิตเข้าเนี่ยจะเข้าสิ่งร่างเนี่ยสมมติว่าเป็นจริงนะก็ไม่น่าจะถึงกับมันไหวเพราะมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเป็นพลังงานเฉยๆนะฮะจิตมันไม่ได้ม า, มาเป็นลมเป็นไฟเป็นน้ํามาไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นพลังงานเฉยๆซึ่งข้าวออกทะลุาฝาทะลุ ก, กําแพงไปได้นะฮะความคิดเราเราจะเห็นว่าเราทะลุฝาทะลุกําแพงทะลุประตูหน้าต่างไปได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่กระทบอะไรด้วย เมื่อเร็วๆนี้เพื่อนเห็นเงาเข้าไปเจ้าถึงสองครั้งทั้งที่ในขณะนั้นเข้าไปเจ้าอยู่อีกที่หนึ่งอย่าทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรสงสัยเพื่อนตาฝาดมั้งไปเห็นเงาคนได้ยังไงในเมื่อคนไปอยู่ในที่หนึ่งมันก็อยู่ในที่หนึ่งเพื่อนก็อาจจะตาฝาดไปหรือว่าไปมองอะไรไม่ชัดเจนแล้วก็ไปทึกทักเอาก็ได้ มันไม่เหตุผลในตัวของมันเองนะฮะคือเงามันต้องมีตัวคนถ้าไม่มีคนมันก็ไม่มีเงาเงามันสืบเนื่องมาจากตัวตนของบุคคลนะฮะเพราะเมื่อเราอยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วเงาเราจะปรากฏในสถานที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ข้อต่อไปถามว่า ทำไมคนจีนเวลาออกทุกข์จึงต้องใส่เสื้อผ้าสีแดงนี่เป็นประเพณีเขาเป็นความเชื่อถือตามลัที่ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขามันไม่มีเหตุผลในการอธิบายเราเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีดแบบแผนต่างๆนี่เป็นเรื่องเฉพาะชนเผ่าเหล่านั้นถามเหตุผลมันไม่มีเหตุผลในการอธิบายก็สมัครใจจะทําอย่างนั้นแล้วไม่มีใครทําผิดไม่มีใครทําถูกก็ทุกคนก็ถูกด้วยกัน ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำจะรีบแบบแผนของชนชาตินั้นนั้นหลังจากจบการอบรมพัฒนาที่นี่แล้วต้องการมาฝึกปฏิบัติที่นี่อีกจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร mm. ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะที่จริงเขาก็จัดกลุ่มกันขึ้นมีจำนวนคนมากพอสมควร เขาก็จัดให้ได้นะฮะตั้งแต่สี่ห้าสิบคนขึ้นไปเขาก็จัดให้ได้แล้วเพราะว่าที่มันก็กว้างนะจุคนได้หลายร้อยคนแต่ว่ามีคนสี่สาห้าคนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนะ่ะต้องให้คนมากมากหน่อยก็เรียกว่าห้าสิบขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะจัดได้เพราะว่ามันต้องลงทุนลงแรงเยอ น, นะฮะการจัดเข้าค่ายพัฒนาจิตแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ย ปัญหาข้อต่อไปนั้นเป็นคำถามของข้าราชการครูระดับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการประถมศึกษาจังหวัดพครราชสีมาก็เป็นปัญหาอีกแนวหนึ่งปัญหาก่อนนั้นเป็นปัญหาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไปนี้ก็จบการศึกษาแล้ว เป็นครูบาอาจารย์แต่จากการสังเกตประการหนึ่งคือครูบาอาจารย์นั้นจะถามปัญหาออกนอกเรื่องของตัวเองคือไม่ค่อยถามในเรื่องตัวเองเท่าไร่แต่จะถามออกนอกเรื่องขอ้อต่อไปถามว่ามีคนกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเมื่อมีอายุอยู่มาถึงสองพันหร้อยปีแล้วจะเสื่อมความศรัทธาลงและจะมีประสิอาน เมธอาริยะเมตธใจนะอาริยะเมตธใ ร, า ร, ารมาลงมาโปรดก็ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีความจริงจริงเพียงใดคือศาสดาในแต่ละศาสนานั้นถ้าเป็นพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยมันก็คือสอนเรื่องเดียวกันนั่นแหละสอนเรื่องอริย ae, สัจสีปฏิจจสมุปบาทสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องอนัตตาะะอะไรแต่ไรเนี่ยกับสอนธรรมะพื้นพื้นฐานทั่วทวไปมันก็เหมือนกันทุกทุกศาสนา เพราะงั้นพระพุทธศาสนาเรานั้นจะดํารงอยู่ได้อีกหลายพันปีหรือหลายหมื่นปีก็ได้แต่ว่ามีคนศึกษาประพฤติปฏิบัติเผยแพร่สืบต่อกันไปเรื่อยๆมันก็อยู่ได้ตลอดไปนะฮะมันอยู่ที่มนุษย์น่ะคือศาสนามันเป็นนามนธรรมคนจะนํามาประพฤติปฏิบัติหรือไม่มันก็อยู่ที่เขาเขาเหล่านั้นแต่ละยุคแต่ละสมัย เราจะเห็นว่าเวลานี้มันก็ผ่านมาทั้งสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบสี่ปีแล้วศาสนาก็ยิ่งเจริญนะที่จริงก็คนนับถือก็เพิ่มขึ้นกระจายไปในส่วนต่างๆของโลกสูงขึ้นแล้วเข้าสู่ระดับนานาชาตินะฮะเป็นศาสนาโลกคือหนึ่งในสามของศาสนาโลกพุทธิ์คริสต์อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาโลกนะก็มีประชากรนับถือทั่วทั้งโลก ส่วนเรื่องภาษีอานนั้นมันเป็นตำนานซึ่งไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรนะฮะเป็นเอกสารรุ่นหลังที่เกี่ยงึ้นขึ้นแต่ก็บอกเอาไว้โดยประมาณการเอาไว้เนี่ยมันอย่างอีกนานนะถึงยุคศาสนาภาษีอานได้เนี่ยก็อบอกว่ามาถึงยุคหนึ่งเนี่ยมนันลดอายุเหลือแค่สิบปีแต่ได้นึ่ง แต่งานมีรอบมีครัวกันแต่เล็กๆน้อยๆล้วก็ตายกันไปแล้วก็เกิดเป็นกา ร, รยุคเกี่ยนข้าทำลายล่างกันมนุษย์อายุแค่สิบขวบมันก็เกินเชื่อไปเหมือนกันเนะี่ยมนุมย์จะเชื่ อ, อยังไงมันการสาธารณสุขมันดีขึ้นการแพทย์มันดีขึ้นอนาะยุปห น, น่าจะเยอะจะริญขึ้นนะแต่ว่าเราลองดูสังเกตว่าคนในยุคปัจจุบันอนาะยุ ก, ก็ไม่เคยยืนเท่าไหร่อยายุไขก็อยู่แถวเจ็ดสิบ ต้นๆเนี่ยนะฮะเจสบต้นแต่นั่นเองซึ่งสมัยพระพุทธเจ้าอายุขัยอยู่ตั้งเท่าไรล่ะร้อยต้นๆน่ะฮะเกือบเกือบเกือบร้อยไปร้อยเกินแต่เรียกว่าร้อยต้นๆไม่ใช่ร้อยต้นๆอ่ะเก้าสิบต้นๆนะเก้าสิบต้นๆแล้วพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งแปดสิบ รบบาบงองค์กัน้อยหกสบร้อยี่สิบคือที่บอกอายุไว้มนีไม่กี่ท่านเราเลยก็ไม่รู้ว่าอายุจริงๆเนี่ยเพราเท่าไร่แต่อายุสมัยนั่นก็ยืนกว่าคนในสมัยนี้ก็ว่าเมื่อคนอายุลดลงเหลือสิบขวบเนี่ยจะเกิดการยุคคนก็จะเข็นฆ่าเบียดเบียนทำลายล้างกันล้มตายบัดเจ็บเพ่มตายเป็นอันมาก พอถึงจุดหนึ่งก็นี้เข้าป่าอยู่ผ่านพัดไอ้ผ่านทฤษฎีวิวัฒนาการใหม่พัฒนาการขึ้นมาใหม่อายุก็เริ่มเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญไปเรื่อยๆจนถึงอายุเป็นแสนปีไอ้แสนปีมันก็เกินเชื่ออีกอะแล้วก็ลดลงมาเหลือแปดหมื่นปีแปดหมื่นปีก็ไม่น่าเชื่ออีกอะแล้วตรงนั้นนะภาษสิทธิมาเกิดวันท่านับกันตามที่ท่านว่าในอีกหลายล้านปีนะ พระศรีอาร์ติมาเกิดแต่นี่มันเป็นการกล่าวของศาสนาบางศาสนาที่ต้องการอ้างตัวเองเป็นพระศรีอานให้ศาสนาตัวเองเป็นพระศรีอารมาแทนพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกให้คนมานับถือศาสนาของเขาเพราะว่าศาสนาพระพุทธเจ้าได้หมดไปจากโลกแล้วมันก็เป็นรูปแบบเป็นวิธีการหนึ่งๆแต่ว่าในเรื่องตำนานพระศรีอาร่ตเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องอย่างนั้นไว เป็นเรื่องกับแพ้ชนแกะมาผสมกั น, นหมายความว่าศาสนาบางศาสนาเนี่ยพยายามที่จะให้ศาสนาตัวเองนี่สวมบทของภรษีอานพยายามสร้างตำหนัดตำนากีดเขียนเรื่องราวต่างๆเผยแพร่ออกไปเยอะเราคือโลกอุติโลกรอคอยอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อต้องการที่จะให้ คนหันมานับถือศาสนาตัวเองโดยลงทุนลงแรงน้อยๆแต่ว่าใช้วิธีการโกหกเอาพุทธรรมายและสงครามโลกครั้งที่สามตามความเห็นของพระคุณเจ้ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพุทธทํานายนั้นมันเป็นวิถีของสังคมวิถีของมนุษย์นะครับยุคพระพุทธเจ้ามันก็มีเหตุการณ์อย่างนั้นยุคต่อมามันก็มีเหตุการณ์อย่างนั้นมันธรรมดามันถูกทุกทีนะครือมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติของมนุษย์ แต่ส่วนสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันอาจจะเกิดได้แต่ว่าคงจะไม่เกิดกันง่ายๆหรอกว่าเวลานี้เราจะเห็นว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยเริ่มจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีพลังอํานาจสามารถที่จะบริหารโลกได้คือแก้ไขปัญหาโลกได้โดยระบบมติขององค์การสหประชาชาติเพราะงั้นการจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นมาเนี่ย มันคงจะเป็นไปได้เรา ก, ก็ไม่รู้หรอกมันเรื่องมันอีกนานนะ น, นะครั้งต่อไปถ้าเกิดมันก็กลายเป็นครั้งที่สามถ้านั้นเองแต่ว่าถ้าเราดูโครงสร้างของสังประชาคมโลกแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเวลานี้ปัญหาอะไรข้อพิพาทอะไรก็แก้ไขกันได้เดี่ยวการประชาชาติพูดคุยกันได้นะเป็นไวแต่เรื่องบางเรื่อง เจนว่าปราบปรามการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกาที่อัฟกานิสถานมันก็ขีดวงแคบอยู่ในที่ประเทศเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปทำสงครามอะไรกับใครมากมายเป็นแรกต้องการจะจัดการกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเท่านั้น้ามันก็ไม่น่าจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นแต่สมมติว่าเกิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็ไม่มีอะไรละฮะมันบ้านเมืองมันก็เดือดร้อนไประยะหนึ่งแล้วก็ในสุดมันก็แก้ไขกันเองมนุษย์สร้างปัญหามนุษย์ก็แก้ปัญหาเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมของพวกตัวเองก็ต่อไปถามว่ า, าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์เข้ากับยุคสมัยมแต่ใดเมื่อโลกเจริญขึ้นแต่าศาสนากลับเสื่อมลงไปจากใจของชาวพุทธเราทุกขณะ คือมันไม่ใช่เป็นความผิดของศาสนาแต่เป็นความผิดของชาวโลกเองที่ไปพอใจติดใจในโลกโลกวัตถุทั้งหลายเนี่ยกำหนดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับพวกวัตถุที่เป็นรูปประาทามต่างๆเนี่ยเขาเพลิดเพลินก็นอย่างนั้นมันไปเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะถอยห่างออกไปจากศาสนาแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกสํานึกเองว่าการที่ปล่อยกายปล่อยใจหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับ โลกวัตถุนั้นมันไม่ให้สิ่งดีงามอะไรในที่สุดก็จะมีแต่ความทุกข์ความเบียด้อนเพราะว่าการพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตนในทางวัตถุเนี่ยคะตอบสนองยังไงมันก็ตอบสนองไม่หมดเราจะวิ่งไล่ความอยากจนตัวเองตายไปก็ยังไม่หมดความอยากแล้วก็ไปเกิดใหม่อีกก็ยังยังวิ่งไล่ความอยากอยู่อีกเพราะงั้น การรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักข่มอารมณ์ตัวเองไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ต่างๆที่บางคือขึ้นเนี่ยแบบเป็นวิธีการที่พระพุทธศาสนายกย่องสรรเสริญคือว่ามนุษย์กธรรมชาติเนี่ยต้องเอิงอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์อาศัยธรรมชาติธรรมชาติต้องอาศรราัยมนุษย์อย่างที่พูดว่าตินเย็นประยาัยปารก พราะเสืออย่างดินเด็นพระยาบางังยาอย่างพระดินเย็นเนี่ยเพรออย่างพระป่าปกป่า ร, รกพระเสืออย่างดินเย็นพระยาบางังยาอย่างพระดินเย็นแสดงว่าทิ้งทั้งหลายนั้นมันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าหากว่ามนุษย์มุ่งเตะตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุ ก, กันเรื่อยๆนะฮะธรรมชาติก็ถูกทําลายในความสมดุลตามธรรมชาติ มันก็เกิดขึ้นไม่ได้และในที่สุดเราเองก็จะเดือดร้อนเพราะว่าธรรมชาติมันเกิดเป็นพิษเป็น่ายขึ้นมาจนเวลานี้โลกมันร้อนมากขึ้นก็มังคิดแก้ไขที่จะสร้างธาตุเหล็กลงไปไว้ในทะเลอะไรแต่ไรก็ว่ากันไปแสดงว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะแม้แต่น้ามันน้ามันอะไรต่ไรที่เอามาใช้กันมากเนี่ยในสุดโลกก็จะเดือดร้อนเพราะขาดแคลนพลังงาน หาพลังงานมาชดเชยมาทดแทนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถนัดถ น, นีอะไรเท่าไหร่ในโอกาสต่อไปเราก็คงจะเผชิญปัญหากันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยมันอยู่ที่ใจคนแต่ละคนพอใจคนมองเห็นคุณค่าของาศาสนาไหม มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระ ต, ตราณาจารยไหมถ้าเขาไม่ศรัทธาเลื่อมใสมันยุคสมัยยังไงมันก็ไปไม่ได้นะแต่เวลานี้มันกระแสะการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนโน้มน้าจิตใจให้อ่อนไหวไปตามกระแสะของการเรียกร้องต้องการวัตถุเนี่ยมันมีมันมีมากแล้วก็มีสูงซึ่งก็เป็นการยากที่จะ แก้ไขได้ในเวลาที่รวดเร็วเพราะว่าพกการโฆษณาต่างๆเนี่ยเงินทองมันเยอะในเรื่องศาสนาเราไม่มีการโฆษณามันไม่มีการดอดแทนในเชิงที่เป็นวัตถุแต่ว่าคนมีหลักธรรมในทางศาสนาอยู่ภายในจิตใจแล้วก็จะแสวยงาวัตถุในทางที่ชอบธรำได้มาแล้วก็มีความภาคภูมิใจมีความสุขใจสบายใจที่ได้ครอบครองวัตถุเหล่านั้น มันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างจะสวนกระแสกันหน่อยคือว่าตอบสนองแบบวัตถุคล้ายๆจะง่ายนะฮะแต่มันยากในตอนปลายการตอบสนองความต้องการทางด้านธรรมะคล้ายๆจะยากเหมือนกันแต่เราก็จะสุขในตอนปลายหรือมันผิดกับการตอบสนองทางวัตถุแล้วก็ทุกปัญจะตามมาอีกเยอะเลย อย่างเนี้ยอย่าง ย, งยุคสมัยปัจจุบันกับยุคสมัยก่อนเนี่ยบางเห็นก็เห็นต่างกันนะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปมากป่าไม้ต้นน้ําลําทารอะไรไรภูเขานะถ้าลุงทะเลอะไรตไรก็ถูกทําลายลงไปเกาะกลายเป็นเกาะเกาะภูเขาก็พังนําไปเป็นภูเขาภูเขาไปมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านตุนของธรรมชาติเมื่อจะต้องอาศัยสํานึก แต่ถ้าเรามองว่าคนมันลดมันก็ไม่เคเชิงลดนะฮะคือคนนับถือศาสนานีนสูงขึ้นศาสนาพุทธเราอาจจะลดลงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแต่ศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์ศาสานา islam เนี่ยก็มีคนนับถือเพิ่มขึ้นหรือว่าพวกลัทธินิกายสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นสมัยใหม่เนี่ก็มีคนก็รดนับถือเพิ่มขึ้นคือสรุปว่ายังไงคนก็มีศาสนาอยู่ในหัวใจ ส่วนศาสนาใดลดศาสนาใดเพิ่มมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยขึ้นอยู่กับการศึกษาของบุคคลเหล่านั้นศา ส, สนาพุทธเวลานี้เองก็ได้กระจายตัวเองออกไปในส่ว น, นต่างๆของโลกมากแล้วก็มีคนเคารพนับถือเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นบุคคลหลังก็พยายามจะเอาตัวเลขมาหลอกอยู่เรื่อยๆสามร้อยกว่าล้านมั่งห้าร้อยกว่าล้านมั่งที่จริงเนี่ยเพืงจีนเนี่ยเขากลับมาอีกเยอะตอนนี้ นับถือพูดถึงเยอะเครือสาภาพโซเวียตเก่าวก็กลับมาอีกเยอะเลยเราไม่ได้สำรวจกันเองฟังในตัวเลขของกระหลังเขาว่าเนี่ยใล้จะน้อยแต่ที่จริงไม่น้อยหรอกต้งฟังทงั้งหลายแต่โลกมรหสถิาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไพบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี